ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอพระองค์ผู้สแสวงหาคุณที่ยิ่งใหญ่ก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้เป็นหน่อพุทธทางกูลจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเพราะฉะนั้นหมื่นโลกธาตุทั้งเทวโลกพากันโหร้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนมัส ก, การกล่าวว่าถ้าหาว่าพวกเราพลาดาศาสนาของพระ โลกกันนาาพระองค์นี้ไซอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้มนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามท่าน้ำข้ามท่าม่ ไ, มได้ไหมายเขาว่าหมายเขามีเรือลำใหญ่มากะนะมาจอดแล้วก็ต้อนคนขึ้นเรือแล้วก็จะได้พาข้ามพ้นจากทะเลทุกเนี่ยนะเหมือนบ้านเมืองที่มีสงครามทะเละเบาะแว้งกันมีแต่ข้าศึกมีแต่ศัตรูก็มีเรือสำเาลําใหญ่มากเลย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 พระองค์มีสนมบัารีที่แต่งกายงดงามสามห 0,000 ื่นนางอัครมเหสีชื่อว่าพระนางสุพัทธาพระโอรสของพระองค์พระนางว่าอานันทะพระชินะพุทธเจ้าทรงเห็นนิมิตสีเสด็จออกอภินิสกรมด้วยยานมาคล้ายโพธิสัตว์ของเรานะพระโพธิสัตว์ของเราก็เสด็จด้วยยานมาพระองค์ตั้งความเพียรครึ่งเดือนเต็มโอ้สิวันเนี่ยนะรวบรวมโพธิญาณได้สําเร็จเนี่ยนะเก่งมากเลยนะมีบุญมาก พระมหาวีระติสัพพุทธเจ้าผู้นำผู้นำที่เลิศแห่งโลกอันเท้ามหาพรหมาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรณายศวดีทายวันอันสูงสุดนะก็ประกาศพระธรรมจักรที่ป่ายาสาวดีเนี่ยนะญสาวดีทายวันพระติสัพพุทธเจ้าผู้สแสวงหาพระคุณที่ใหญ่พระองค์นั้นมีอักระสาวกชื่อว่าพรหมเทวะและพระอุทยาอุป อุปถากของพระองค์ชื่อว่าพระสมังคะเนี่ยสมังคะเนี่ยพระอักขระสาวิกาชื่อว่าพระผุดสาและสุทัตตาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าอัสนะหรือต้นประดู่อัก ข, ขระอุปถากชื่อว่าสัมภะและเิริอักขระอุปถายิกาชื่อว่ากีสาโคตมีและอุปเสนาพระชินะพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูง60สศอก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 ร่งโรดแล้วก็ดับขันท่าปรินิพานเหมือนกองไฟที่ดับไปฉะนั้น น, นะกองไฟที่ระดมเอาเชื้อมาสมสมๆๆ ส, สว่างสวัยไปหมดเมื่อสิ้นเชื้อไฟก็เป็นอันมอดดับไปฉันใดพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกทั้งหลายก็ปรินิพานเหมือนเส ม, มือนอะไรเหมือนพลาหกหายไปพะลมเคยเห็นเมฆไม่เมฆน่ะโอ้ทำมันทึบไปหมดเลย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 หายไปอยู่ที่ไหนหรือว่าแมปวดปวดมากลงเรื่องอ่นนะตอนความเจ็บปวดตอนนี้มันไปเก็บไว้ตรงไหน น, นะนั่นแหละมันหายไปฉะนั้นเนี่ยนะมันเพราะอะไรเพราะหมดปัจจัยใช่หมหมดเหตุหมดปัจจัยสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอันดับไปสลายไปเหมือนไฟที่สิ้นเชื้อฉะนั้นเนี่ยนะ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 เพราะว่าพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ล้วนแต่ประสูตรในป่าเนี่ยนะประสูตรในอุทยานหรือในป่าหรือในสวนอ่ะนะพระองค์ครองคารวาสวิสัยอยู่เจ็ดพันปีมีปร า, าสาทสามหลังชื่อว่าขุหาเสลาแล้วก็นาริสยะแล้วก็นิสพะมีสนมนารีสามห0ื่นาพันนางมีพระนางสุพัฒนาเทวีเป็นประมุกเนี่ยนะบอกว่าครองคารวาสอยู่เท่าไหร่ เ0็ดปีและสมัยนะั้นนะถ้าคนอายุขนาดนี้ก็แต่งงานตอนอายุสักห้าร้อยปีขึ้นไปนะห้าร้ยปีเขาบอกว่าแบบถ้าเป็นศาสนาพระศรีอารเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรนะเด็กหญิงอายุห้าร้อยปีจึงจะควรแต่งงานนะเด็กหญิงเลยนะห้ารอยปีเนี่ยตาของพวกเราถ้าอายุห้าร้อยปีเนี่ยโอ้จะเรียกอะไรเนาะอายุห้าร้ยปีแล้วยิ่งกว่าทวดของทวดของทวดของทว ด, อ, ทวดอีกหลายทวดเลยแหละ เมื่อพระอนันทกุมารพระโอรสของพระนางสุพัทธาเทวีสมภพพระมหาบุรุษเห็นนิมิตสีพระองค์ก็เสด็จขึ้นมาต้นตัวเยี่ยมชื่อว่าโสนุตระพระองค์ออกมาหาพิเนศกรมผนวดมนุษย์โกดหนึ่งก็บวชตามเสด็จพระองค์อันเหล่าภิกษุเวทล้อมแล้วบำเพ็ญเพียร8เดือนในวันวิสาขบูรรมีก็รับข้าวมาทุ ป, ปายญาต พระองค์ก็รับข้าวมาทุ่ปลายาที่ที่ไหนรับข้าวมาทุ่ปายาที่ทิดาวีระเศรษฐีณนะวีระนะคมถวายพระองค์ก็ยับยั้งพักกลางวันนสารละวัน น, นะนะหรือสาละวันถ้าสารละวันนี่แปลว่าป่าต้นช้างน้าวหรืออ้อยช้างบางทีก็แปลว่าอ้อยช้างก็ได้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 ทรงกําจัดกองกําลังมารพร้อมด้วยตัวมารบรรลุพระสัพพัญญุตยานเปล่งพระอุทานว่าอเ น, นกชาติสังสารังเป็นต้นทนี้เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ประทับอยู่บริเวณต้นโพเนี่ยเจ็สัปดาห์นะพอสัปดาห์ที่แปดก็น้อมไปขวนขวายน้อยที่จะไม่แสดงธรรมพระพุทธเจ้าพร้มก็มาราธนาพระองค์ก็รับ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 เขาจะบรรลุไหมบรรลุเพราะพระธรรมเทศนาสูตรสูตรใดบรรลุเมื่อไหรบรรลุตอนเชา้าตอนสายตอนบ่ายหรือตอนค่ำบรรลุด้วยธรรมเทศนาแบบใดจะต้องบรรลุในสังคมสิ่งแวดล้อมแบบไหนแบบไหนเนี่ยนะพระองค์จะตรวจทั้งหมดก่อนแล้วพระองค์จึงจึงจึงทำการแสดงธรรมเพื่อโปรดเพื่อส่งเคราะห์เขาเนี่ยนะให้ปัญญาแก่เขาแปลว่าผ่านการไข่ค ร, ครวนอย่างรอบคอบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะ พระองค์ก็เลยแสดงธรรมพอพระองค์เห็นอุปนิสัยพระองค์ก็เสด็จไปที่ยะสวดีมิกระทายวันปโปรนให้พนักงานเฝ้าพระราชอุทยานเชิญพระโอรสเข้ามาคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะต้องแสดงธรรมในอุทยานเนี่ยนะต้องแสดงแปลว่าแสดงธรรมในป่านั่นเองนะประสูนที่ประสูตนในอุทยานคือป่าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในป่าแสดงธรรมก็แสดงธรรมที่ ป่าซะส่วนใหญ่นะธรรมจักครั้งแรกแสดงในป่าโดยมากจะแสดงให้นักบวชฟังเน่นะเมื่อพระองค์เสด็จไปที่ยัสสวดีมิขะทายวานพระองค์ก็รับสั่งให้พนักงานที่ดูแลเฝ้าราชอุทยานไปเชิญพระโอรสทั้งสองมาพระองค์ก็ยังหมื่นโลกธาตุให้เข้าใจหมหมายความว่า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 ทรงละการอยู่ป่าเป็นหมู่แล้วเสด็จไปยังโคนโพพฤกอันนหมายว่าพวกกลุ่มพระภิกษุที่บวชตามเสด็จพระองค์นะภิกษุที่บวชกับพระติดสะสาสดาจํานวนโกรธหนึ่งก็แยกไปเสียที่อื่นพระองค์ก็เห็นภิกษุหนึ่งนั้นน่ะภิกษุโกฏธหนึ่งนั้นน่ะทราบขาว่าพระติดสะสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศพระธรรมจกักรภิกษุที่บวชตามเสด็จก็พากันมาที่ยัสวดีมิกทายวันถวายบังคมพระศาสดา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 ด้วยเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอภิสมัยครั้งที่สองการตรัสรู้ธรรมได้มีแกส่สัตว์90โกธอภิสมัยครั้งที่3การตรัสรู้ธรรมได้มีแกส่สัตว์หกโกดครั้งนั้นพระติสสะพุทธเจ้าทรงเปลื้องสัตว์คือมนุษย์และเทวดาทั้งหลายให้พ้นจากเครื่องผูกเครื่องผูกคือสังโยติสินะนะเครื่องผูกมาจากสาวว่าพันธนโตหรือว่าพันธนาการพระองค์ช่วยให้สัตว์หลุดพ้นจากพันธนาการเครื่องผูกคือสังโยชต นสังโยชที่ผูกสัตว์เนี่ยนะกะเขาเรียกว่าสังโยชนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มสังโยชที่ผูกไว้เบื้องต่ำกับสังโยชที่ผูกไว้เบื้องสูงสังโยชนที่ผูกไว้ในเบื้องต่ำอันน้เาเรียกว่าอะไรนะอุทังอโอกระอะไรนะอุทังอุธรรมภาคยาสังโยชน์อันนั้นสังโยชที่ผูกไว้เบื้องสูงอน ส่วนโอรัมภาคียสังโยชน์เนี่ยผูกไว้เบื้องล่างนะนะโอรัมภาคียสังโยชน์คือสกายะทิฐิวิจิกิจชาสีระพตาปรามาตการมราคะและปฏิฆะเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำที่ผูกไว้ในกามมาพบส่วนสังโยชน์เบื้องสูงคือรูปปราฆะอรู ป, ปราคะมานะอุทะจาวิชานี่ก็ผูกไว้ในพบเบื้องสูงเนี่ยนะก็ทีนี้สังโยชน์เบื้องต่ำก็แบ่งว่าผูกไว้ในอบายพบกับผูกไว้ใน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 โมหะบาปอากุศลอกุศลธรรมทั้งหลายนี่แหละที่ผูกให้ไปสู่ในสถานที่ที่ตกต่ําครั้งนั้นพระติสสะพุทธเจ้าอันพาอรหันท์ที่บวชภายในพรรษาในยะสวดีนครแวดล้อมแล้วพอถึงวันปวนารณาพรรษาอันนี้เป็นสันนิบาตการประชมุมอรหันตสาวกครั้งที่หนึ่ง น, นก็คือประชมุมวันออกพรรษานั่นเอง เมื่อพระโล ก, กนาถพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จถึงนาริวานะนครนะนาริวานะกุมารโอรสของพระเจ้าสุชาติผู้เกิดดีทั้งสองฝ่ายพระโอรสพร้อมทั้งบริบาลก็เสด็จออกไปรับเสด็จนิมนต์พระโทศพลพร้อมทั้งพิสุสง์ถวายอาสาที่สถานเจวันก็มอบราชสมบัติของพระองค์ให้แก่พระโอรส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 พระสุคตเจ้าอันพระพิสุ์เหล่านั้นเวทล้อมแล้วยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สจึงกล่าวเป็นคาถาว่าพระติสสะพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ทรงมีสนิบาตการประชุมพระสาวกขีณาศกผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่สามครั้งการประชุมพระสาวกขีณาศบแสนหนึ่งเป็นครั้งที่หนึ่ง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 ถ้าเขาไม่เกิดเขาไม่ทุกข์อย่างนี้โรคถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายอย่างนี้โรคเป็นต้นเนี่นะก็เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดใจอย่างมากเพราะฉะนั้นควรที่จะสแสวงหาโมกะธรรมตามทำเป็นที่พ้นจากความเกิดและความตายพระราชาคือพระโพธิสัตว์ของเราก็เลยออกบวชเป็นดา บ, บวดบวชแล้วก็ไม่ประมาทมีฤิษานุภาพมาก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 กวางยาวลึกสี่กิโลบรรจุอดดอกไม้ทิพมาเลยดอกปริชัดกะดอกมณฑารบแล้วก็มาทางนท้องนภากาศบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ทิพที่มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็กั้นดอกประทุมต่างฉัดคันหนึ่งนะซึ่งมีด้ามเป็นแก้วมณีมีเกสรเป็นทองมีใบเป็นแก้วทับทิม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 อันบริษัททั้ง4เนี่ยนะเวดล้อมแล้วเสร็จแล้วก็ไหว้ด้วยดอกบวัวเนี่ยนะเนื้อเสียงกล่าวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ประทับนั่งท่ามกลางมหาชนพยากรเราว่า9ก้าบสอกับนับจากกับนี้ไปท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติอย่างที่พ่องพระพุทธเจ้าของเราให้ฟัง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 โผพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่าต้นประดูพระสรีระพระองค์สูง60ศอพระชนมาายุแสนปีพระอัครมเหสีพระนามว่าพระนางโสพัฒาพระอุรสของพระองค์พระนามว่าอาณัติเสด็จออกอภิเนิสกรมด้วยยานคือม้าตอนพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาเล่านะอย่างที่กล่าวไปแล้ว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 บทว่าอุสโวได้แก่หยาดหิมะอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระสาวกอันลมดวงอาทิตย์และดวงประทีปคื อ, อ น, นะคือความจริงมียอนิจจังเป็นต้นเบียดเบียนพระองค์แล้วก็ปรินิพานเพราะว่าความเป็นอนิจจังของสังขารทั้งหลายเนี่ยนะพราะที่สุดของสังขารทั้งหลายก็คือการแตกทําลายสําหรับผู้ใดที่เจริญมรณานุสติเนี่ยนะ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 แตกดับศูนย์สลายไปเหมือนอย่างว่าอย่างแม้กระทั่งอย่างกรุงเทพเนี่ยนะตึกๆทั้งหลายที่ดูใหญ่ดูโตเอกไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวก็ถล่มลงมาหมดอะ่ะนะไม่ถล่มโดยปัใจัยใดก็ปัจจัยหนึ่งในที่สุดเจ้าของก็สั่งถล่มเองเพราะมันอยู่ไม่ได้แล้วนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีความแตกทําลายแตกสลายเป็นธรรมดาอย่างประเทศหลายๆประเทศที่มีตึกเขาสร้างตึกมานานเนี่ยนะเมื่อหลายห้า 5, 6, 7 80ปปีมาก่อนเนี่ยตึกเหล่านั้นก็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 อย่างนี้แหละเนี่ยนะอันนี้จังก็พาผ่านไปแต่สิ่งใดไม่เที่ยงเลยนะบคนเราเนี่ยนะเกิดแล้วมันก็แก่แก่แล้วมันก็ตายบอกเกิดแก่เจ็บตายมันก็ธรรมดาแหมไอ้กว่าเกิดมาแล้วจะเลี้ยงให้แก่เนี่ยมันก็ยากกันนะเลี้ยงจนกว่าจะแก่เพื่อรอวันตายก่อนเลี้ยงยากดูแลยากนะเครื่องนุ่งห่มหาอาหารเครื่องนุ่งห่มให้ตามด้วยนะไม่ใช่ว่าแม่เอาแค่มาปิดแล้วเสร็จเลยไม่ชุดร้อนชุดนหนาวหน้าลมหน้าฝนา <l ots> แบ่งเป็นชุดนะอาหารก็มีอาหารร้อนอาหารเย็นอาหารกรอบไม่กรอบเป็นต้นกว่าจะหาอาหารมาให้ได้วันละสามมือบ้าง4ีมือบ้างก็สุดแท้แต่จะหามหลายมือได้แล้วก็ที่อยู่อาศัยนี่ก็วิจิตพิสดารกว่าจะได้แล้วก็ทั้งแม้กระทั่งยู่ยาเนีย่นย น, ดน outline, ะดูแลวันแล้ววันล่าวันแล้ววันล่าก็ดูยิ่งดูแลยิ่งแก่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะในที่สุดก็ชำรุดสดทรงในแต่ละส่วนแต่ละส่วนซ่อมไม่ไหวก็ตายอำลาไปจากโลกนี้ไปสังขารทั้งหลายก็เป็น เช่นนี้แล้เนี่ยนะครับแม้กระทั่งว่ามันไม่เที่ยงก็จริงแต่มันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างเจ็บปวดเนี่ยนะบอกโอ้ยใครคนไหนบอกความโรคภัยทั้งหมดเมื่อคนป่วยป่วยแล้วมันก็ตายนั่นแหละใช่แต่ก่อนตายนี่มันปวดเหลือเกินเนี่ยทรมานเหลือเกินนะบอกโอ้ยเจ็บปวดมากโรคหลายๆอย่างเนี่ยถ้าไม่มีการรักษาก่อนหน้านั้นเนี่ยนะตายก็จริงแต่ตายแบบชนิดที่เรียกว่าเจ็บปวดปวดขนาดไหนบอกปวดขนาดที่เรียกว่าทนไม่ได้ยาม เรยว่ายาระดับธรรมดานี่ยังเอาไม่อยู่เลยค่บางอย่างเนี่ยแทบฝินแทบจะเอาไม่อยู่มันจะปวดขนาดนั้นเนี่ยนะมันไม่เที่ยงก็จริงอะ่ะแต่มันปวดนะเอาสิสิ่งใดไม่เที่ยงพระองค์จึงบอกว่าเป็นทุกข์แล้วผู้ใดมีอำนาจจริงบ้างสะสางปัญหาเหล่านี้ได้จริงตั้งอดีตจวปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตใครแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะพระองค์จึงบอกว่าปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเพื่อสลัด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 นะนะรางวัลหรืออนิสงฆ์กาไรที่เกิดจากการยึดถือว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาก็เต็มไปด้วยโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตพระองค์จึงสอนให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาตามที่ตามเป็นจริงว่าความจริงของขันห้าอย่างที่เราสวดนั่นแหละความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์